พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่4กุมภาพันธ์2559มีชื่อเรื่องว่าทางเดินแห่งมักคา วันนี้เป็นวันที่สกุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ั25วันนี้รู้สึกวันถ้าจะว่าหนาวไหมหลวงพ่อว่าไม่เกิดเมื่อวานนี้เท่าไหร่วันนี้แต่ก็หนาวอยู่แต่ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนโอ้หนาวจริงๆแต่คราวนี้ถึงจะหนาวก็ยังมีแดดออกมาก็ทำให้ฝีงแดดได้ก็ยังอุ่น แต่หนาวคราวก่อนหนาวปิดประตูตีแมวจริงๆทั้งหนาวด้วยทั้งฝนตกด้วยทั้งไม่มีแดดด้วยหนาวคลางก่อนั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สบแปดยิบเก้านะแต่ในหนาวตั้งแต่วันที่หนึ่งมาถึงวันนี้เป็นวันที่สามวันที่สี่วันน ในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพูดหลายวันแนวความคิดหลายแงยม่มุมเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า 84,000 ี่พันพระธรร ม, มขัมภ์เราจะหยิบยกในแง่มุมใดเอามาขยายผลตีแผ่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟัง อันไหนอันไหนจุดเด่นอันไหนจุดกลางแล้วก็จุดต่ําแต่นี้จะ ก, กันไม่ออกเหมือนกับเราปลูกต้นไม้เราจะปลูกใส่ไหนปลูกใส่ดินพอปลูกใส่ดินก็เป็นต้นขึ้นมาพอเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็เราต้องการอะไรต้องการผลและต้องการแก่นอันนั้นคือจุดประสงค์ของเรานี่ยก็เหมือนกัน การประพุทธปฏิบัติธรรมเราจะเอาตะไปเอาผลทีเดียวเลยโดยที่เหตุไม่มีก็ไม่ได้มันต้องเกี่ยวเนื่องกันนะหลวลงพ่อจึงพูดวันวาวันก่อนสองวันที่ผ่านมาอามิชบูชาปฏิบัติบูบชาแต่พระพุทธเจ้าท่านยกย่อง ปฏิบัติบูชาเลิศ ก, กว่าแต่เราจะไม่มีอา mith บูชาก็ไม่ไม่ได้ไม่ถูกอีกเหมือนกันไปไม่รอดอีเหมือนกันมีแต่ปฏิบัติบูชาไม่มีอา mith บูชามันต้องไปด้วยกันเป็นเครื่องเกรือคุนหนุนกันอย่างปฏิหารเมื่อวานก็เหมือนกันอิทธิปฏิหารอเทศนานปฏิหารอนุสาสนีปฏิหาร อนุสาสนิปฏิหารเลิศ ก, กว่าแต่ทั้งสองนั้นทาว่าได้ขึ้นมาก็ดีเป็นเพื่องเรือกูลหนุนกันเป็นเสริมกันสมบูรณ์ทากว่าได้แต่อนุสาสนีปฏิหารก็ดีดีกว่าดีกว่าจํานวนสองอย่างนั้นท่านเลือกเอาไหนต้องเอาเลือกเอาอนุสาสนีปฏิหาร ถ้าสองอย่างนั้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ตัวนี้ให้ได้แต่แต่ตัวนี้ไม่ได้มีแต่แสดงฤทธิ์กับดักใจทายใจได้อย่างเดียวประโยชน์เกิดน้อยมากเพราะนั้นถือว่าอนุสาสนิปฏิหารมีประโยชน์มากกว่านี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองเราคิดเราวิเคราะห์ ตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะแต่ท่านวิเคราะห์มาแล้วแหละท่านชี้มาแล้วแต่มาถึงจุดเราเนี่ยจุดเรากดทำไม่ได้คิดอีกมันก็กังขาเอักงขาไม่รู้วัดจริงหรือไม่อย่างที่พระพุทธเจ้าดูก่อนสาเรบุตรอย่างที่หลวงพ่อเคยยกที่เราตราสไปนี่เธอเชื่อไหมอย่างก่อนพระเจ้าขาเพราะยังไม่ได้นำไปปฏิบัตินะ ถ้านําไปปฏิบัติแล้วจะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังอันนี้คือชัดเจนคือเมื่อเราได้ยินอันไหนมาก็ตามเราต้องคิดดูซะก่อนว่าเป็นไปได้ไหมในเรื่องนี้แล้วลงลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยถ้าเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วนั่นแหละเราจะรู้ได้ตอบได้เข้าใจได้ ในเรื่องนั้น น, น, นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธญานจึงตรัสว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ทำคำสอนของเราพุทธศาสนาของเราศาสนาของเราไม่ไม่ใช่ศาสนาคาดคะเนเดาและประมาณการหรือเรียนรู้แล้วก็ว่าจบได้ไม่ได้ ศา ส, สนาของเราต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้รู้จริงรู้จริงเห็นจริงเนี่ยอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพราะนั้นท่านจึงสอนให้ในแน ว, แวหลายอย่างอย่างวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องหลักใหญ่คือมรรคแปดของพระพุทธเจ้ามรรคคือหนทางที่เราจะเดินไปสู่มรรคผลนิพพาน เหมือนกับเราที่จะเดินไปกรุงเทพมันก็ต้องมีมักมัค่ามีหนทางจะไปทางอากาศก็ต้องมีแผนที่ทางอากาศและจะไปทางไหนมันตรงไปกรุงเทพถ้าไปรถไฟก็ต้องมีแ้่าทางรถไฟเข้าไปถึงกรุงเทพถ้าไปถนนเ้วก็มีหลายทางแต่ถึงกรุงเทพมักค่ามักค่า คือหนทางอันนี้พวกเราจะเดินสู่มรรคผลนิพพานของพระพุทธทเจ้ามันก็ต้องมีมรรคเหมือนกันมรรคะมรรคะปฏิปทามมรรคคือองค์แปดมรรคะคือองค์แปดประการมีทางอยู่แปดสายแปดเส้นที่จะเดินเข้าสูม่มรรคผลนิพพานแต่ไม่ใช่เดินคนละทิศทางนะให้เข้าเดินดิ่ง เดินดิ่งเข้าไปหาจุดเหมือนกับเราไปจากอุดรเล่าคนนี้เช้นทางหนึ่งก็ถึงกรุงเทพท่าจังหวัดเลยก็ดิ่งเข้าไปถึงกรุงเทพถึงจะเพชรชบูรณ์ก็ดึงเข้าไปกรุงเทพทางเชียงใหม่ก็เข้ากรุงเทพทางภาคใต้ก็เข้ากรุงเทพเที่ว่าสรุปแล้วก็คือทาง8เส้น8ดสาย ที่จะเข้าสู่กรุงเทพได้ไม่ใช่ว่าทางอุดรทางเดียวแต่นว่าท่านจะว่ามรคคือขนทางแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปวาจากัมมันตอาชชโววาจโมสติสมาธิในมรคแปดนั้นมรคไหนสำคัญสรุปแล้วก็คือม 8, รคแปดรวมกันแล้วมีสาม ศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาในมรรคแปดนั้นถ้ารวมกันเข้ามาแล้วสัมมาทิฏฐิเป็นเพื่อนเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรกามากัมมันตัวอจิโวไวไวายโมสติสมาธิไวายโมคือความเพียรสติคือความระลึกสมาธิคือความตั้งใจมั่นอันนั้นเป็นสมาธิ สรุปแล้วก็คือปัญญาศีล ส, สมาธิในกลุ่มสมาธิคือแนวความคิดอันนี้ก็คือมักแปดของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้วางเอาไว้ท่านนี้ทางสายไหนตรงที่สดุดแนวที่สดุดก็ท่านก็บอกว่าปัญญา ศีลกับสมาธินั้น เ, เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยเรื่องศีลเรื่องสมาธิก่อนจะเกิดปัญญาขึ้นมาแบบดุยดุยเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันต้องสั่งสมบัลมีมาทั้งศีลรักษากายวายจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลก่อนในเมื่อคนที่มีศีลแล้ว เวลานั่งสมาธิจิตใจก็ไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สั่นเพราะอะไรเพราะมีศีลเป็นพื้นฐานเป็นกรอบเป็นรัว้วเป็นที่กําบังในเมื่อนั่งสมาธิจิตใจก็เ ข, เข้าสู่ความสงบในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแน่วแน่จิตไม่ปรุงไม่ฟุ้งไม่สั่นก็นํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาเห็นชัดเจนเพราะ คนที่ผ่านจิตใจที่ผ่านสมาธิมาแล้ว น, ะนี่แหละอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านว่าระยะสงสาวกท่านนํามาประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพุทธะที่หลักใหญ่ที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกออกจากจิตใจนี่แหละคือศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วก็คือมรรคแนะ มักแปดมันเป็นรวมเป็นข้อสัมมาทิฏฐิคือปัญญาสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปวาจากัมมันโตไอชิโวอันนี้เป็นศีลวายโมสติสมาธิอันนั้นคือสมาธิทำจิตใจให้มั่นคง ันเป็นเรื่องของจิตใจความเพียรเป็นเรื่องโกงจิตใจวายโมสติเกิดเป็นเรื่องของจิตใจสมาธิก็เป็นเรื่องของจิตใจที่ทำให้จิตใจนิ่งแต่เรื่องวายโมสมาธิสม า, ธมาสังกโปนะ ก, การงานอะไรอันนีค้คือการกระทำทางกายกายกา ย, ยกรรมของเราไม่ออกนอกรูนอกทางไม่ทำโทษไม่ทำผิดโทษ ไม่สร้างโทษกายไม่สร้างโทษกายสร้างโทษคืออะไรกายสร้างโทษก็คือฆ่าจัดขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในการเรื่องห ย, ยาบหยาบตลอดถึงการแสดงกับกิริยาอะไรออกไปที่มันไม่ถูกไม่ถูกสัมมาคารวะไม่ถูกตามหลักเหตุผลอันนี้ก็คือการกระทําทางกาย ทางวาจากระพดแต่ถึงยังไงมันออกมาจากใจทั้งหมดอย่างที่ว่าอีกเหมือนกันถ้าใจไม่คิดก่อนมันก็ไม่ไม่ไม่กระทําและไม่พูดแต่นี้มันก็วกวนเวียนมหาการอีกเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันหนีออกจากหนีออกจากกันไม่ออกแต่ถึงยังไงก็ยังเลิอดปัญญาก็ยังเลิอดเพราะว่าตัดกิเลสในใจของเรา รู้แจ้งเห็นจริงนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองขี่คลี่คลายาด้วยหลักเหตุและผลที่จิตใจของเราไปติดไปแวะไปคล้องนะคือกคือกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจของเรานะ่จุดนี้จะต้องใช้สติมหาสติมหาปัญญาปัญญาอัตโนมัต หรือปัญญาถี่แน่วแน่เป็นปัญญาที่ผ่านสมาธิมาก่อนจิตใจทิ้นนิ่งมาก่อนแล้วนำมาพิจารณาเป็นเปาะเปาะๆปืะจากนั้นถ้ากิเลส ต, ตัวไหนมันโผล่ขึ้นมานำมาพิจารณาจนเป็นที่เข้าใจเป็นผู้เข้าใจปล่อยวางตัวไหนมันโผล่ขึ้นมานำมาพิจารณา อไตรตองดูด้วยเหตุที่ผลจนสุดบ่อยวางอย่างที่ว่ามันหลงร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรามันหลงว่าร่างกายของเราเป็นตัวตนของเราว่าเป็นของข้าข้าใครมาแตะไม่ได้เ อ, อเกิดโมโหโกธาขึ้นมารับรักโรคโกรธหลงขึ้นมาว่าเป็นของข้าในมเมื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วท่าน มันจริงไหมใจมันเป็นของเราจริงไหมกายมันจริงไหมมาพิจารณาด้วยปัญญาใจพิจารณากายเห็นไหมคนอื่นเขาเป็นยังไงนอกจากเราเราจะไม่เป็นอย่างเขาใช่ไหมใจในเมื่อเห็นพิจารณาตามความเป็นจริงมันถึงจุดจบของมันมันก็ปล่อยวางใช่มันก็เพียงแค่นี้กายมันไม่ใช่ว่าของจิรางถาวร อ, อะไร มันไม่ใช่ของที่เราจะไปให้ความสําคัญว่าติดตีงขาดกับเรื่องการเป็นอยู่จนเกินไปเพราะอีกวันหนึ่งมันก็ถึงจุดจบของมันตามสภาพของมันเราไปจริงจังอะไรกับมันจริงจังอะไรอะไรกับมันจนเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นทุกข์กับมันจริงๆก็ไม่น่าจะถูกน่าใจนะีนะ้แหละ ถ้าจิตใจผ่านสมาธิมาแล้วนะมันยืนอยู่กับที่แนละ้วมองดูมองดูกายมันถึงจุดจบของมันเพราะมองเห็นคนอื่นที่ผ่านผ่านมานะเขาก็เหมือนกับเราเนี่ยนะไม่แพ้กันเพ้อเอจะยิ่งกว่าเราไปอีกความฉันดิน่ฉันโดดของเขาการพยองพองตัวของเขาการลืมตัวของเขาเพราะเขาไม่ได้ภาวนาเขาเขาไม่ได้ปฏิบัติ แต่เรามายืนจุดจุดนี้เรามองเห็นได้แต่เราก็เหมือนกันถึงจะไงก็าตามเรื่องร่างกายต้องไหลไปสู่จุดนั้นไปสู่จุดอ น, นิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดในเมื่อพิจารณาถึงจุดนั้นแล้วมันก็ย้อนมาหาตัวผุ้รู้อีกใจอีก เ, อเราจะไปหลงทําไมหลงให้งโง่ทําไมดูนะดูให้ชัดเจนนะ ตอนี้ถึงจะพิจนารณาร่างกายเป็นของหยาบแต่ความรู้สึกนึกคิดเรื่องอื่นๆนะ่ะที่มันทะลักเข้ามาทางจิตใจจะวิเรื่องกามไม่กิเลสก็ตามเรื่องอารมณ์พอใจไม่พอใจเรื่องอารมณ์โทสะก็ตามในเมื่อมันเข้ามาธรรมารลมเข้ามาสู่จิตใจนั่นก็ น, นํามาพิจนารณานอีกอารมณ์ที่มันกระทบมาเนี่ยมันมีเหตุมีผลมากน้อยแค่ไหนนี่แหละถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิ อยู่แล้วนะแล้วนำมาพิจารณาจุดนั้นอีกเออเหมือนกับไฟได้เชือนะ้อดัด่มดมดั่มดึมดัเป็นถึงจุดกองมันมันมาจากไหนจุดเนียส่วนใุดไม่มีไม่มีเหตุมีผลมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วจะไปตามทำไมเอาปล่อยวางฮะนี่แหละอันนี้ก็คือการพิจารณาทางด้านธรรมะทางด้านจิตใจไม่ใช่ว่า ถ้าว่าท่านผู้มีอุปนิสัยคิ ป, ปะพินยารู้ได้เร็วนะพอท่านรู้พระพุทธองค์พระพุทธจเจ้าตัดพบท่านก็วางกิเลสเพราะนะเป็นพระหันทัน ท, นทีเลยอันนั้นแปลว่าจบแต่พวกเราทันทาพินยาเนี่ยต้องใช้การกรองไตรตองตนพิจารณากว่าจะรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้ราวในเรื่องนั้ น, น, น ที่มันกระทบจิตใจของเราเ อ, อพอเสร็จแล้วกันนะั่ะปล่อยวางเป็นเปาะเป็นเปาะเป็นเปาะเมื่อเราเห็นด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันวางจุดไหนมันวางจริงๆนะมันจะไม่วางแบบรู ป, รปๆคํำๆมาวางแล้วก็จับอีกจับอีกแล้วก็วางวางแล้วก็จับอีกไม่ใช่ถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิผ่านสมาธิมาแล้วมันวางมันวางได้จริงๆมันเห็นโทษจริงๆ เ, เหมือนกับเราเรียนรู้เรื่องธรรมชาติ ถ้ารู้ว่ามันเป็นไฟเห็นฐานไฟอยู่แล้วมันรู้แล้วมันเป็นไฟ เ, เราจะไปจับทําไมพอรู้แล้วเนะนี่ยในลักษณะใจที่เป็นสมาธิาเหมือนกับใจเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมารู้เรียงสาภาวะรู้เรื่องราวต่างๆฮเพราะฉะนั้นเรื่องจิตภาวนาเนี่ยมีหลายแนวมีหลายขั้นตอนะนะขั้นตอนท้ายญาติโยมผานเหนลูกหลานทุกองคนะแต่ถึงยังไงก็ไม่นอกเหนือจาก มีความตั้งใจมัน่นมีความพยายามมีความเพียรมีความอดทนมีสมาธิในจิตใจแล้วก็มีปัญญาคลี่คลายไม่เหนือปัญญาไปได้เพราะะนั้นให้พวกเราภาวนานะ่ยนี่แหละกิเลสไม่มอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวใจของพวกเราโลภโกรธหลงไม่อยู่ที่ใจของเราทั้งนั้นแหล ะ, ะมักผลนิพพานมักมามักก็ดีผลก็ดีก็อยู่ที่ใจของพวกเราเอีกเช่นเดียวกัน มันอยู่ที่เดียวกันนะฮอมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นอแต่จะเอาอย่างไรจะเอาชนะมันได้อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะ่ต้องใช้ปัญญากัรกรองไตรตรองให้ละเอียดทีทวดนะอัล้พรนี้เนี่ยอันมทนาให้พร